50 languages. c h ็ดสิบชอบอยากเยนันน่าดอิสต้าพดูดูคุณอยากสูบบุหรี่ไหมนีบ้ดูมาปานะมาดาโลอิสต้าพดุตีร คุณอยากเต้นรำไหมนีวูนรุทธยมาดาลัลอิสต์ตาปดุตตีระคุณอยากไปเดินเล่นไหมนีวูวายุเซวเนยมาดโลอิสต์ตาดุตตีระดิฉันอยากจะสูบบุหรี่นาโน้ ด, ดูมาพานมาดาลัลอิสต์ตาปดุตเตนคุณอยากได้บุหรี่ซักมวนไหม นีน่าเก็วันดูสิการ์เทตเบกเขาอยากได้ไฟแช็คเอาวนนี้เก็บเบงกีพัตตนาเบกูดิฉันอยากดื न न ่มอะไรหน่อยน้าหนูเย็นนน่าดรอ่คุดีเยลูอิสต้าปัดุตเตเนฉันอยากทานอะไรหน่อยน้าหนูเย็นนนิลูอุต ดิฉันอยากพักผ่อนหน่อยน้าโน้สวลพหุตูวิชรันติเทเกดุโคลดัลูอิสต๊ะปัดุตเตเน่ดิฉันอยากถามอะไรคุณหน่อยน้าโน้นิมมันโนวันดุปร h น์เน่เคเด ล, ลูอิสต๊ะปัดุตเตเ่ดิฉันอยากขอร้องอะไรคุณหน่อยน้าโน้นิมมินดาเย็นันโน่เคเด ล, ลูบายสุติเเ่ ดิฉันอยากจะเลี้ยงคุณนานโน่นิมนุยาวดักกอาหัวนิสโลอิชตะปดุตเตเนคุณจะรับอะไรดีคะนี่วูเยนันโบยสุตตีริคุณจะรับกาแฟไหมคะนิมเกวุนดูกาฟฟเบเกหรือว่าคุณจะรับชาดีคะ นนรัรือที่อื่นๆทีู่อบอ่านเราอยากจะขับรถกับบ้านน้าวูมันเกโวกลูชอบอ่านเคยคุณต้องการรถแท็กซี่ไหมนิมาเกาวุนดูแท็กซีบเกพวกเขาอยากโทรสท์อวารู ฟ, ฟนมาดลูชอบอ่านท่าร่